พระไตรปิฎกเล่มที่ส6บหสังยุตานิกายนิธานวั์ธาตุสังยุตประมวลเรื่องธาตุกล่าวถึงธาตุในทางธรรมะหลายชนิดเช่นธาต่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นรวมถึงการที่สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุวั์ที่หนึ่งนานัตวัตหมวดว่าด้วยความต่าง ประสูตรที่หนึ่งฮาตุนานตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งธาตุพระผู้มีประภาคประทับอยู่นเขตกรุงสาวัตถีตรัสแสดงความต่างแห่งธาตุแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจากขูดธาตุธาตุคือจากขูปัสสาตรูปธาตุธาตุคือรูปอารมณ์ จักขู่วิญญาณธาตุธาตุคือจักขูวิญญาณโสตธาตุธาตุคือโสตประสาทสัตธาตุธาตุคือสัตวารมณ์โสตวิญญาณธาตุธาตุคือโสตวิญญาณขานาธาตุธาตุคือขานประสาทขันธาตุธาตุคือคันธารมณ์ขานวิญญาณธาตุ ธาตุคือญาณวิญญาณชิวหาธาตุธาตุคือชิวหาประสาทพรสัตธาตุธาตุคือระสาวล์ชิวหาวิญญาณธาตุธาตุคือชิวหาวิญญาณกายธาตุธาตุคือกายประสาทโอทัพธาตุธาตุคือโอทัพอารมณ์กายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณ มโนธาตุธาตุคือมโนธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์มโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณภิษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุอธิบายสำหรับผู้มาใหม่นะครับจากปุบคือตาโสตคือหูคานาคือจมูกชิวหาคือลิ้น มโนคือใจสัทธะคือเสียงคันทะคือกลิ่นรสสัก ค, คือรสผลธพะคือความถูกต้องสัมผัสทางกายธัมมารมณ์อารมณ์ที่ใจรู้สิ่งที่ใจนึกใจคิดภัตสานานัตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะ พระผู้มีพระภาพประทับอยู่ณแขกกรุงสวัสนีณที่นั้นตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งภัสาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจากขุด ธ, ธาตุโสต ธ, ธาตุขานาธาตุจิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุ นี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขูดธาตุโสตัสสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยโซตัธาตุคานะสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยคานาธาตุชิวหาสัมผัสเกิดขึ้น เพราะอาศัยชิวหาธาตุกายสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายะธาตุมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นเหตุอย่างนี้โนภัสนานัตสูตรว่าด้วยธาตุ ที่ไม่อาศัยความต่างแห่งผัสสะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งพัสสะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจากขุธาตุจนถึงมโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งพัสสะเป็นอย่างไร คือจักขุสมัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศาัยจักขุูธาตุจกักขุูธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสมัมผัสและโดยในยะเดียวกันโสตสมัมผัสขานะสมัมผัสชิวหาสมัมผัสกายะสมัมผัสและสุดท้ายมโน ส, สมัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนธ า, าตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโน ส, สมัมผัส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 ตราแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจากกูธาตุจนถึงมโนธาตุนั้นนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุ จักขูดสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขูดธาตุจักขูดสัมผัสสัชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขูดสัมผัสและโดยในยะเดียวกันจนถึงมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสัชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะจะขูดสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขูดธาตุ จกักขูดสัมผัสสัชาวเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจกักขูดสัมผัสจกักขูดสัมผัสไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจกักขูดสัมผัสสัชาวเวทนาจากักขูดธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจกักขูดสัมผัสและโดยในยะเดียวกันต่อจากจากักขูดก็คือโสตขานะชิวหาและกายและสรุปด้วยอายตนาสุดท้าย คือมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสัจชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสมโนสัมผัสไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสสัจชาเวทนามโนธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งปัสาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ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 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีตรัสแสดงเรื่องความต่างแห่งธาตุแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุสัตธาธาตุขันธธาตุรสัทธาตุโพธิภัตตาธาตุและธรรมธาตุภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุ สัญญาณานตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งสัญญาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสวาวัตถีณที่นั้นตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าความต่างแห่งสัญญาคือความจําได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะคือความดํารี เกิดขึ pessoa, ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งฉันทะคือความพอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัดปะคือความดมรีความต่างแห่งปริลาหะคือความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะคือความพอใจความต่างแห่งปริเยสนาคือการแสวงหา เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะคือความเร่าร้อนความต่างแห่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดความต่างที่อาศัยกันเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรคือรูปสัญญาได้แก่สัญญาที่ประกอบด้วยจกักรวิญญาณรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาต รูปสังกัปปะคือความดําริที่ประกอบด้วยจิตสามดวงมีสัมปติชนะจิตจิตที่รับรู้อารมณ์เป็นต้นรูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญารูปฉันทะคือความพอใจในรูปทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะรูปบริลาหะ คือความเร่าร้อนเพราะเผาผลาญรูปทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปัจฉันทะรูปปริเยสนาคือการสแสวงหารูปที่เคยเห็นเคยคบเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปบริลาหะและโดยในยะเดียวกันกันกบเรื่องของรูปคือโสตขานะชิวหาและกายจนถึงธรรมารมณ์ คือธรรมสัญญาเกิดขึ <the> ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุธรรมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญาธรรมะฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะธรรมปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะและธรรมะปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริลาหะภิกษุทั้งหลาย ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะความต่างแห่งปริยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะเป็นอย่างนี้ โนปริเยสน า, นานัตตสูตรว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนาพระผู้มีพระภาประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นต้นนั้นจนถึงความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งชันทะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความต่างแห่งสังคป่าไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งชันทะ ความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังขปะความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งธาตุคือรูปธาตุจนถึงธรรมธาตุนั้นเราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นต้นนั้น จนถึงความต่างแห่งปริยสนาและความต่างแห่งปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริยสนาเป็นต้นนั้นจนถึงความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุเป็นต้นนั้นจนถึงธรรมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมะสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะสัญญาและเกิดขึ้นตามลำดับจนถึงธรรมะปริเยสนาธรรมะปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริเยสนาธรรมะฉันทะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริลาหะธรรมะสังกัปปะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะฉันทะธรรมสัญญาไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธรรมสังกับปากธรรมธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญาภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกับปากเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นต้นนั้นความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยให้เกิดโดยลำดับเป็นอย่างนี้ พาหิระผัสนานตตะสูตรว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีนักที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งส like an ังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งชันธะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งปริลาหะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งชันทะความต่างแห่งปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งธาตุคือรูปธาตุจนถึงธรรมธาตุนั้นเราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นต้นนั้นจนถึงความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาเป็นอย่างไรคือรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุรูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญารูปปัฏฐะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปสัมผัสสัชาวเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัสรูปฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัสสัชาวเวทนารูปบริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะรูปปริยาชนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปบริลาหะข้อนี้ในยะเดียวกันทั้งหมด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 ภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นต้นนั้นจนถึงความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริเยสนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งลาภะความต่างแห่งปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนา ความต่างแห่งชันทาตไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะและโดยลําดับคือเวทนาพัสสะสังกัปปะจนมาถึงความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างนั้นเป็นอย่างไร คือรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุเป็นต้นนั้นข้อนี้ในยะเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสพทธภพจนมาถึงธรรมารมณ์ความต่างแห่งสัญญ า, าธาตุสังกัปปะผัสสะเวทนาฉันทะปริลาะปริเยสนาความต่างแห่งลาภทั้งเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้น เราะอาศัยความต่างโดยลำดับเป็นอย่างนี้ทุติยวัคหมวดที่สองสัตตาตุสูตรว่าด้วยท่าเจ็ดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีนาทีนั้นตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ธาตุมีเจ็ดประการคืออาภาธาตุธาตุคือแสงสว่างซึ่งเป็นชื่อของอะโลกกสินได้แก่ฌานพร้อมทั้งอารมณ์ที่ทำให้ปิติเกิดขึ้นเพราะบริกรรมโดยเพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์อาภาธาตุอาศัยความมืดจึงปรากฏได้สุภธาตุคือฌานพร้อมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้น รบบริกรรมโดยเพ่งสุภัสศินสุภาธาติอาศัยความไม่งามจึงปรากฏได้อากาสานัญจาตนาธาตคือธาตุที่กำหนดอากาศความว่างอันหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นขั้นที่หนึ่งของอรูปฌานอากาสานัญจาตนาธาตอาศัยรูปสมาบัติจึงปรากฏได้ วินาจัญญายตนะธาตุคือธาตุที่กำหนดความไม่มีอะไรเหลือเป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะธาตุอาศัยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติจึงปรากฏได้วิญญาณัญจายตนะธาตุคือธาตุที่กำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะธาตุอาศัยอาการสานัญจายตนะสมาบัติจึงปรากฏได้ อากินจัญญายตนะธาตุคือธาตุที่กําหนดความไม่มีอะไรเหลือเป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะธาตุอาศัยวิญญาณัญจาญาณสมาบัตจึงปรากฏได้เนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุในที่นี้หมายถึงธาตุที่เข้าถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุ อาศัยอากินสัญญายตนาสมาบัตจึงปรากฏได้สัญญาเวทะยิตะเนโรทาธาตในที่นี้หมายถึงความดับขันสี่ขันเป็นชื่อของนิโรธสมาบัตสัญญาเวทะยิตะนนโรทาธาตอาศัยนิโรทัมาบัตจึงปรากฏได้ธาตมีเจ็ประการนี้แหละ ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามดังนี้ว่าบุคคลจะเข้าถึงธาตุเหล่านี้ได้อย่างไรภิกษุอาภาธาตุสุภธาตุอากาสานัญจายตนะธาตุวิญญาณัญจายตนะธาตุอากินัญญายตนะธาตุธาตุเหล่านี้เป็นสัญญาสมาบัติที่บุคคลจะเข้าถึงได้ เนวสัญญาณาสัญญาญนณธาตุเป็นสังขาราวิเศษสมาบัติคือสมาบัติที่มีสังขารอันละเอียดยังคงเหลืออยู่ที่บุคคลจะเข้าถึงได้สัญญาเวทาิตะนิโรธาตุเป็นนิโรธาสมาบัติที่บุคคลจะเข้าถึงได้ สนิธานสูตรว่าด้วยธรรมะที่เป็นต้นเหตุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกามวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นและโดยในยะเดียวกันพยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นกามสัญญาความหมายรู้กามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมมาธาตุกามสังกัปปะคือความดำริในกรรมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามสัญญากามฉันทะความพอใจในกรรมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามสังกัปปะ กามปริลาหะความเร่าร้อนเพราะ ก, กามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามฉันทะกามปริเยสนาการสแสวงหากามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามปริลาหะปุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสแสวงหากามปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจ พยาบาทสัญญาความหมารู้พยาบาทคือการปองร้ายเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทธาตุพยาบาทสังกัดปากความดำริในพยาบาทเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทสัญญาและโดยลําดับในการเกิดขึ้นในยะเดียวกับเรื่องของกามคือพยาบาทสันทะความพอใจในพยาบาทพยาบาทปริลาหะความเร่าร้อนเพราะพยาบาท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 คือความด âm ฤทธในความเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาสัญญาและเกิดขึ้นโดยลำดับต่อกันมาคือวิหิงสาฉันทะความพอใจในความเบียดเบียนวิหิงสาปริลาหะความเร่าร้อนเพราะความเบียดเบียนจนถึงวิหิงสาปริเยสนาการสแสวงหาความเบียดเบียนอุทุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสแสวงหาวิหิงสาวปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและด้วยเท้าเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาสัตว์มีชีวิตที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ ถึงถึงความพินาศย่อยยับอุปมาณิฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นสมณพราหมณ์คนใดคนหนึ่งไม่รีบละบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอากูโสััญญาที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอสมณพราหมณ์นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความอึดอัดคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบัน หลังจะตายแล้วพึงหวังทุกคติได้เณคำวิตกคือความตรึกในการออกบวชมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอนภยบาสวิตกความตรึกในความไม่พยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกในความไม่เบียดเบียนมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้น ข้อนี้คือเนคขมัสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมัธาตุเนคขมัสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมัสัญญาเนคขมัชันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมัสังกัปปะเนคขมปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมัชันทะเนคขมปริเยสนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยเนคขมมะริลาหะอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาเนคขมมะปริเยสนายอมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องเนคขมมะอภยบาสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอภยบาธททาตุและเกิดขึ้นโดยลำดับ อพยาบาทสังกับปากพยาบาทชันทะอพยาบาทบริลาหะจนถึงอพยาบาทบริเยสนาอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาอพยาบาทบริเยสนาย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจอวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นเราอาศัยอวิหิงสาธาต อวิหิงสาสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาสัญญาและเกิดขึ้นตามลำดับคืออวิหิงสาฉันทะอวิหิงสาสังกัปปะอวิหิงสาปริลาหะจนถึงอวิหิงสาปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาปริลาหะอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสแสวงหาอาวิหิงสาปบรเยสนาย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางคบญ้าที่ายติดแล้วในป่าญ้าแห้งเขารีบดับคบหญ้านั้นด้วยมือและด้วยเท้าเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาสัตว์มีชีวิตที่อาศัยญ้าและไม้อยู่ จึงไม่ถึงความพินาทย่อยยับอุปมาณิฉันใดอุปามายก็ฉันนั้นสมณพราหมณ์คนใดคนหนึ่งรีบหลกักบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอากูสุลละสัญญาที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดขับแค้นเร้าร้อนในปัจจุบัน หลังจากตายแล้วพึงหวังสุคติได้ขินชกาวัศสถสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมณตําห น, นักอิดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตําหนักอิดใกล้หมู่บ้านยาติกะณนะที่นั้นตรัสแสดงเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุวิตกเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุท่านพระกัจจานะทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิที่ว่าในบุคคลที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยอมปรากฏเพราะอาศัยอะไร ในที่นี้หมายถึงเจ้าลทัทธิทั้งหกในสมัยพุทธกาลนะครับในบุคคลที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ย่อมปรากฏเพราะอาศัยอะไรตรัสตอบว่ากัจจานะธาตุคืออวิชชานี้เป็นธาตุใหญ่สัญญาที่เลวทิติที่เลววิตกที่เลวเจตนาความปรารถนา ความตั้งใจที่เลวบุคคลที่เลววาจาที่เลวเกิดขึ้นเพราะอาศัยท่าที่เลวบุคคลที่เลวนั้นยอมบอกแสดงบัญยัตกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่เลวเรากล่าวว่าความเกิดของบุคคลนั้นเลว สัญญาที่ปานกลางทิฐิที่ปานกลางวิตกเจตนาความปรารถนาความตั้งใจที่ปานกลางบุคคลที่ปานกลางวาจาที่ปานกลางเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลางบุคคลที่ปานกลางนั้นย่อมบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ปานกลาง เรากล่าวว่าความเกิดของบุคคลนั้นปานกลางกัจจานะสัญญาที่ประณีตทิฏฐิที่ประณีตวิตกเจตนาความปรารถนาความตั้งใจที่ประนีตบุคคลที่ประนีตวาจาที่ประนีตเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ประนีตบุคคลที่ประนีตนั้นย่อมบอก แสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ประณีตเรากล่าวว่าความเกิดของบุคคล น, นั้นประณีตหีนาที่มุตติกัดสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีอัทยาศัยเลวและอัทยาศัยงาม พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณทีนท่นั้นตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยาธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยาศัยเลวคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยาศัยเลวสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยาศัยงาม คบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามแม้ในอดีตแม้ในอนาคตก็เช่นเดียวกันแม้ในปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยาธาตุอย่างเดียวกันจังกมะสูตรว่าด้วยการจงกรม สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิตจกูดเขตก ร, รุงราชคลึกสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรกําลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจํานวนมากในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหาเกสปะท่านพระอนุรุทท่านพระปุณณมันตณีบุตรท่านพระอุบาลีท่านพระอานนท์แม้พระเทวทัต ก็กำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าเธอทั้งหลายเห็นสารีบุตรกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่ทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าตรัสว่าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีปัญญามาก เธอทั้งหลายเห็นมหาโมคคลานะกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีฤทธิ์มากตรัสถามตอบโดยในยะเดียวกันสรุปได้ดังนี้เธอทั้งหลายเห็นมหากัสปะกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่ภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนกล่าวเรื่องทุดง ในที่นี้คือการไต่ถามเกี่ยวกับการรักษาทุดงอานิสง์การสมาทานการอธิษฐานและการขาดทุดงเธอทั้งหลายเห็นอนุรุท ธ, ธะกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจํานวนมากหรือไม่ภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีตาทิพย์เธอทั้งหลายเห็นปุณณะมันตานีบุตรกาลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจํานวนมากหรือไม่ ภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นธรรมะกะถึกเธอทั้งหลายเห็นอุบาลีกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่ภิกษุทั้งหมดนี้ uh huh. ล้วนส่งวิไนเธอทั้งหลายเห็นอานนท์กำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่ภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพหูสูตร เธอทั้งหลายเห็นเทวทัตกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่ภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีความปรารถนาชั่วสัตว์ทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยทาตอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยาศัยเลวคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลว ส, สัตว์ทั้งหลายผู้มีอัยาายตยาศั ย, าายงาม คบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามแม้ในอดีตแม้ในอนาคตและแม้ในปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันสัคาฐาสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่มีคาถา พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีตรัสเรื่องนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลวคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลวแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันก็เช่นกันเปรียบเหมือนคู่คืออุจจาระ กับคูดรวมเข้ากันได้มูดคือปัสสาวะกับมูดรวมเข้ากันได้เขละคือน้ำลายกับเขละรวมเข้ากันได้ปุกโพคือน้ำหนองกับปุบโพรวมเข้ากันได้โลหิตกับโลหิตรวมเข้ากันได้อุปมาณิฉันใดอุปมาก็ฉันนั้น สัตว์ทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันนี้นก็เช่นเดียวกันสัตว์ทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัยารัยงามคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัยาศัยงามแม้ในอดีตแม้ในอนาคต แม้ในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมสดกับน้ำนมสดรวมเข้ากันได้น้ำมันกับน้ำมันรวมเข้ากันได้เนยใสกับเนยใสน้ำพึ่งกับน้ำพึ่งน้ำอ้อยกับน้ำอ้อยย่อมรวมเข้ากันได้อุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยาธาตุอย่างเดียวกัน แม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสคทถาประพันธ์ต่อไปว่าป่าคือกิเลสเกิดเพราะการคลุกคลีกันย่อมขาดไปเพราะการไม่คลุกคลีกันบุคคลเกาะต้นไม้เล็กพึ่งจมลงในห้วงน้ำใหญ่ฉันใดแม้สาธุชน อาศัยคนเกียรติคร้านก็ย่อมจมลงฉันนั้นเพราะฉะนั้นพึงเว้นคนเกียรติคร้านพึงมีความเพียรย่อหย่อนนั้นเสียผู้มีความเพียรย่อหย่อนนั้นพึงอยู่ร่วมกับบัณฑิตผู้สงัดเป็นอริยมีใจเด็ดเดียวเพ่งพินิษปรารบความเพียรเป็นนิษ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 สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีอิริครบกับผู้ไม่มีอิริผู้ไม่มีโอ ต, ตับปะคบกับผู้ไม่มีโอตับปะผู้มีสุตตะน้อยคบกับผู้มีสุตตะน้อยผู้เกียจคร้านคบกับผู้เกียจคร้านผู้มีสติหลงลืมคบค้ากับผู้มีสติหลงลืมผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสาม แม้ในอดีตแม้ในอนาคตและแม้ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันภิกสุททั้งหลายสัตว์ทั้งหล um, ายคบคาสมาคมกันโดยาธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้มีฮิริคบกับผู้มีฮิริผู้มีโอตตปะคบกับผู้มีโอตตปะ ผู้มีสุดตะมากคบกับผู้มีสุดตะมากผู้ปรารภความเพีย н, ครคบกับผู้ปรารภความเพียรผู้มีสติมั่นคงคบคาสมาคมกับผู้มีสติมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน สำหรับพระสูตรที่เหลือเนื้อหาโดยนัยยะเหมือนกันทุกประการนะครับคือคนดีย่อมคบคนดีคนชั่วย่อมคบคนชั่วคนขี้เกียจคบคนขี้เกียจคนขยันคบคนขยันเพียงแต่มีจุดเริ่มต้นต่างกันคือพวกหนึ่งเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นมูลพวกหนึ่งมีหิริเป็นมูลอีกพวกหนึ่งคือผู้ไม่มีหิริ ไม่มีความละอายต่อบาปเป็นมูลพวกหนึ่งคือผู้ไม่มีอดตปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นมูลพวกหนึ่งเป็นผู้มีสุตตะน้อยเป็นมูลและอีกพวกหนึ่งเป็นผู้เกียจคร้านเป็นมูลแต่ละสิ่งที่เป็นมูลเหตุนั้นทำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคบค้าสมาคมกันโดยาธาตุอย่างเดียวกัน กับกลุ่มที่เลวหรือดีตามคุณธรรมที่มีวัคที่สามกรรมมะปถวัคหมวดว่าด้วยกรรมมบุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสวาวกทีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัส เ, เรื่องนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกัน คือสัตว์ทั้งหลายผู klore? ้ไ <halfway> ม่มีศรัทธาคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาผู้ไม่มีอิริคบกับผู้ไม่มีอิริผู้ไม่มีโอตตะปะคบกับผู้ไม่มีโอตตะปะผู้มีจิตไม่มั่นคงหมายถึงจิตที่ปราศจากอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตไม่มั่นคง คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตไม่มั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาคบกับผู้มีศรัทธาผู้มีอิริโอตตะ ป, ปักย่อมคบกับผู้มีอิริและโอตตะปักผู้มีจิตมั่นคงคบค้ากับผู้มีจิตมั่นคง ผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีลคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีลสัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลผู้ค่าสัตว์คบค้ากับผู้ค่าสัตว์ผู้หลักทรัพย์คบค้ากับผู้หลักทรัพย์ผู้ประพฤติผิดในกาม คบกับผู้ประพฤติผิดในกามผู้พูดเท็จคบกับผู้พูดเท็จผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจัดการฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นคาจัดการฆ่าสัตว์ ผู <f os> ้เ <sympath> ว <is> ้นขาจาการลักทรัพย์คบกับผู้เว้นขาจาการลักทรัพย์ผู้เว้นขาจาการประพฤติผิดในการมคบกับผู้เว้นขาจาการประพฤติผิดในการมผู้เว้นขาจาการพูดเท็จคบค้ากับผู้เว้นขาจาการพูดเท็จผู้เว้นขาจาการเสพของมึนเมา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการเสษของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทผู้ประพฤติอกุศลกรรมบทสิบยอมคบแต่คนประเภทเดียวกันได้แก่ผู้ค่าสัตว์ผู้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเ ท, ท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ ผู้มีอภิชาคือความเพเง่งเล็งอยากได้ของคนอื่นผู้มีจิตพยาบาทละผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอกุศลละกมบทแต่ละประการนั้นส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติกุศลละกมบวสิบย่อมคบ ค, าคา้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติกุศลละกมบวสิบในแต่ละประการนั้น คือสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นจัดการฆ่าสัตว์ย่อมคบค้ากับผู้เว้นการฆ่าสัตว์จนถึงสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมคบกับผู้มีมิจฉาทิฏฐิและโดยในยะเดียวกันผู้มีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิย่อมคบคากับสัตว์ทั้งหลายประเภทเดียวกันคำว่าสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่คนแต่หมายถึงเทพรมผีเป็นต้นด้วยคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มักจะบูชาเทพที่มีมิจฉาทิฏฐิมีราคะเช่นเดียวกับตนส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิ คบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิโดยในยะเดียวกันผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิย่อมคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แดแต่ละประการนั้นเช่นเดียวกัน ผู้ประกอบด้วยธรรมะสิบประการคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉายานและสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวิมุตย์ย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาแต่ละประการนั้ น, น, นเช่นเดียวกันส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิคืออริยามรรคมีองค์แปด และสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณกับสัตว์ทั้งหลายผู <JA ้มีสัมมาวิมุตย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมะสิประการนั้นคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณ สัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวิมุตต์ขบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวิมุตต์จะตุกตะหักวัหมวดว่าด้วยธรรมะสูตรละษีประการจะตุทาตุสูตรว่าด้วยทา่าศีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวัน อารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายธาตุมีสี่ประการนี้ธาตุสีประการอะไรบ้างคือปัทวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟและวายโยธาตุธาตุลมปุเพสัมโพทสูตร ว่าด้วยความดำริกก่อนตรัสรู้นกรุงสวัสีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของปัทวีธาตุอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุ และโดยในยะเดียวกันอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากอาโปธาต์จากเตโชธาตจากวาโยธาต์เรานั้นได้มีความดำริว่าสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัทวีธาตุนี้เป็นคุณของปัทวีธาตุปัทวีธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปลาพันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของปัตวีธาตุธรรมะที่กำจัดฉันธราคะธรรมะเป็นทีละชันธราคะในปัตวีธาตุนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากปัตวีธาตุและโดยในยะเดียวกันสุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาโปธาติเพราะอาศัยเตโชธาตเพราะอาศัยวายโยธาตนี้เป็นคุณ ธาตุแต่ละอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของธาตุนั้นธรรมะเป็นที่กำจัดชันทราคะธรรมะเป็นที่ละชันทราคะในทานั้นนั้นนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากธาตุสี่นั้นภิกษุททั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากธาตุสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ปฏิญญาไม่ได้ว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกรง ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากธาตุสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิ ญ, ญาได้ว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกรมมาโล ก, โลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะรามเทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาลทัศนะ คือปัจจเวขณะยานยานอย่างรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนมรรคผลกิเลสที่ละได้แล้วและนิพพานอันหนึง่งยานและทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวีมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก อาจจะริงสูตรว่าด้วยการเที่ยวสแสวงหาคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุสีณกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณของปัทวีธาตุได้พบคุณของปัทวีธาตุ ได้เห็นคุณของปัทวีธาตุเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาเราได้แสวงหาโทษของปัทวีธาตุได้พบโทษของปัทวีธาตุได้เห็นโทษของปัทวีธาตุเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุได้พบเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุได้เห็นเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุ เท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาและโดยในยะเดียวกันเราได้สแสวงหาคุณของอาโปธาตเตโชธาต์วาโยธาตได้พบคุณได้เห็นคุณของธาตุเหล่านั้นด้วยปัญญาเราได้เที่ยวสแสวงหาโทษของธาตุสี่นั้นได้เห็นโทษของธาตุเหล่านั้นที่มีอยู่ด้วยปัญญาเราได้พบเครื่องสลัดออก จากท่าสี่นั้นได้เห็นเครื่องสลัดออกจากท่าสีนั้นเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโด้วยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการ น, นี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ไม่ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันหนึ่งญาณและทัศนะเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกโนเจทังสูตรว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุสีนากรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากุลของปัตวีธาตุจะไม่ได้มี สัตว so, in so in so, so, so, like ์ทั้งหลายไม่พึงยินดีในปัทวีธาตุแต่เพราะกุลของปัทวีธาตุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในปัทวีธาตุถ้าโทษของปัทวีธาตุจะไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุแต่เพราะโทษของปัทวีธาตุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุ ถ้าเครื่องสลัดออกจากปัทวีทาธาติจักไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงสลัดตนออกจากปัทวีทาธาติแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากปัทวีทาธาติมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดตนออกจากปัทวีทาธาติและโดยในยะเดียวกันถ้าคุณของอาโปโาธาตเตโชาธาติวาโยาธาตจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงยินดีในทาตนั้นแต่เพราะคุณของแต่ละทาตนั้นมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในแต่ละทาตนั้นถ้าโทษของ่าสีนั้นไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบือ่อนายแต่เพราะว่าโทษมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบือ่อนายถ้าเครื่องสลัดออกของ่าสีนั้นไม่มี สัตว์ทั้งหลายไม่พึงสลัดตนออกจากท่าสีนั้นแต่เพราะเครื่องสลัดออกนั้นมีสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดตนออกจากท่าสีนั้นภิกษุทั้งหลายตราบใดสัตว์เหล่านี้ยังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการ น, นี้ตามความเป็นจริง ตราบนั้นสัตว์เหล่านี้ยังสลัดตนออกไม่ได้รากตนออกไม่ได้ยังไม่หลุดพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกโร ม, มโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหม์เทวดาและมนุษย์มีใจเป็นอิสระอยู่ไม่ได้เมื่อใดสัตว์เหล่านี้รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสี่ประการ น, นี้ตามความเป็นจริงเมื่อ น, นั้นสัตว์เหล่านี้ย่อมสลัดตนออกได้ปรากตนออกได้หลุดพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมโลกจากหมูสัตวพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีใจเป็นอิสระอยู่ได้ เอกันต์ทุกขสูตรว่าด้วยธาตุสี่มีทุกขโดยส่วนเดียวณกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าปัทวีธาตุนี้จะได้มีทุกขโดยส่วนเดียวถูกทุกติดตามมีทุกอย่างลงสุขไม่อย่างลง สัตว์ทั้งหลายไม่พึงยินดีในปัทวีทาธาตุแต่เพราะปัทวีทาธาตุมีสุขติดตามมีสุขอย่างลงมีทุกข์ไม่อย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในปัทวีทาธาตุและโดยในยะเดียวกันถ้าอาโปโาธาตุเตโชาธาตุวายโยธาตุจะมีทุกข์โดยส่วนเดียวมีสุขไม่อย่างลงสัตว์ทั้งหลาย ไม่พึงยินดีในธาตุนั้นแต่เพราะอาโปธาต์เตโชธาตและวาโยธาต์มีสุขติดตามมีสุขอย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในแต่ละธาตุนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าปัตวีนี้จะได้มีสุขโดยส่วนเดียวมีสุขติดตามมีสุขอย่างลงมีทุกข์ไม่อย่างลง สัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุแต่เพราะปัทวีธาตุถูกทุกติดตามมีทุกข์อย่างลงมีสุขไม่อย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุและโดยในยะเดียวกันถ้าอาโปธาธตุเตโชาธาตุและ ว, วาโยาธาตุนี้จะได้มีสุขโดยส่วนเดียวมีสุขติดตามมีสุขอย่างลง มีทุกข์ไม่อย่างลงสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบื่อหน่ายในธาตุนั้นแต่เพราะอาปโปธาต์เตโชธาตและวายโยธาต์นี้ทุกทุกติดตามมีทุกข์อย่างลงมีสุขไม่อย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในแต่ละธาตุในธาตุสี่นั้น อภินันทสูตรว่าด้วยความชื่นชมธาตุสีภิกษุทั้งหลายผู้ใดชื่นชมปฐวีธาตุผู้ใดชื่นชมอาโปธาตุผู้ใดชื่นชมเตโชธาตุผู้ใดชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกขผู้ใดชื่นชมทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกข ภิกษุทั้งหลายแต่ผู้ใดไม่ชื่นชมปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุไม่ชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์อุ ป, ปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธาตุสี เป็นทุก์ภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งปัทวีธาตุแห่งอาโปธาตุแห่งเตโจธาตุและแห่งวายโยธาตุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายแต่ความดับ ความระ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุนี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความระ ง, งับโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสมณะปราหมณะสูตรว่าด้วยสมณะปราหมพิสุทธ์ทั้งหลาย ธาตุสี่ประการนี้คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุละวาโยธาตุสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้คุณโทษไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธาตุสีนี้ไม่รู้ชัดความดับแห่งธาตุสีนี้ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธาตุสีน่นี้และเครื่องสลัดออกจากธาตุสี่ประการนี้ตามความเป็นจริง